บันทึกที่สองตัวเราของเราตัวกูของกูความยึดถือว่าเราว่าของเราหรือที่ปราดนบางท่านนิยมใช้ถ้อยคำให้หนักแน่นกินใจว่าตัวกูของกูนั้นเป็นความรู้สึกที่ฝังแน่นในจิตของมนุษย์มีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อการดำเนินชีวิตของบุคคลแต่ละคนต่อความสุขความทุกข์ของเขา ต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและต่อการเกิดปัญหาแทบทุกอย่างทางสังคมในทางธรรมถือเรื่องนี้เป็นจุดรวมแห่งความสนใจระดับการกลางเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้องจึงมีคำสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้มากมายทอยคําที่ใช้เรียกความรู้สึกยึดถือนี้ก็มีเป็นทอยคาเฉพาะหลายแบบมีทั้งที่เป็นคาศัพท์ทั้งที่เป็นข้อความ หรือเป็นประโยคใช้เรียงกันเป็นชุดชุดในที่นี้จะยกมากล่าวไว้โดยสังเขต พ, พอเป็นแนวทางศึกษาผู้สนใจพิเศษพึงค้นคว้าให้ละเอียดต่อไปเบื้องแรกขอนำถ้อยคำและข้อความเหล่านั้นมาเรียงให้ดูเป็นชุดๆุดดังนี้ชุดที่หนึ่งเอตังมะมะเอโสหมาสมิเอโสเมอตตาติ นี่ของเราเราเป็นนี่นี่เป็นตัวตนของเราชุดที่สองอาหารติวามะมันติวาอัสมิติวาการถือว่าเราว่าของเราหรือว่าเราเป็นชุดที่สามอาหารการมะมัังการมานานุสัยการถือว่าเรา การถือว่าของเราอนุสัยคือมานะชุดที่สี่มามายตะหรือมมตะและอาสมีมานะการยึดถือว่าเราว่าของเราและมานะว่าเราเป็นชุดที่หอัตตาอัตตานิยะในวงเล็บบวกอัสมีติ ตนและสิ่งที่เนื่องด้วยตนชุดที่หกตัณหามานะทิฏฐิชุดที่หนึ่งเอตังมะมะนี่ของเราเอโสหมัสมิเราเป็นนี่เอโสเมอัตตาตินี่เป็นตัวตนของเราชุดที่หนึ่ง พบบ่อยที่สุดโดยมากมาในคําสอนให้พิจารณาแยากสัตบุคคลออกเป็นขันห้าหรือเป็นส่วนประกอบอย่างอื่นเช่นอายตนะผัสสะเป็นต้นหรือพิจารณาไตรลักษณ์จนเข้าใจสภาพที่ไม่อาจยึดถือได้ว่านี่ของเราเราเป็นนี่นี่เป็นตัวตนของเราความตรงข้ามคือเนตังมะมะเนสหสมิ นะเอโสเมอัตตาติในที่นี้ท่านระบุที่มาของทุกหัวข้อไว้โดยละเอียดดูได้จากพุทธธรรมฉบับรับขยายน้า2ส4ชุดที่สองเป็นรูปย่อของชุดที่หนึ่งนั่นเองเปล่าคืออาหารติถือว่าเราเท่ากับเอโสเมอัตตานี่เป็นตัวตนของเรามามันติ ถือว่าของเราเท่ากับเอตังมะมะนี่ของเราอัศมีติถือว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่หรือยังมีเรามีเขาเท่ากับเอโซหามัสมีเราเป็นนี่ชุดนี้มีที่มาไม่มากนักชุดที่สามอาหารการมะมังการมานานุสัย เป็นคำสัพพ์ซึ่งถือได้ว่าเป็นสรุปใจความของชุดที่หนึ่งเทียบได้ดังนี้อาหางการเท่ากับเอโซโมเม อ, อตตานี่เป็นตัวตนของเรามามังการเท่ากับเอตังมามะนี่ของเรามานานุสัสเท่ากับเอโซหมามัสมีเราเป็นนี่ ชุดนี้มากมาในข้อความว่าไม่มีหรือปราศจากหรือถอนได้แล้วซึ่งอาหารการมะมังการและมานะหรือมานานุสัยในกายพร้อมทั้งวิญญาณ น, นี้และในนิมิต ท, ทั้งปวงภายนอกชุดที่สมามายิตะโดยมากใช้ในความหมายว่าความยึดถือว่าเป็นของเรา หรือสิ่งที่ถูกยึดถือว่าเป็นของเราคือตรงกับเอตังมะมะนี่ของเราแต่บางแห่งท่านอธิบายว่าหมายถึงทั้งความยึดถือว่าเราและว่าของเราเท่ากับเอตังมะมะนี่ของเราเอโซเมอัตานี่เป็นตัวตนของเราหรือเท่ากับตันหาลัทธิส่วนมะมะตะัตตา หรือมามัตตามีความหมายเท่ากับมามาติยะนั่นเองแต่นิยมใช้ในคถาคู่กับมามายิตะหรือไม่ก็แทนมามายิตะหรือใช้อธิบายมามายิตะส่วนอัศมีมานะแปลว่ามานะว่าเราเป็นคือถือตัวในลักษณะที่ยังมีเราเป็นเราหรือเราเป็นนั่นเป็นนี้ ซึ่งตามปกติเรียกเพียงว่ามานะแต่ในอภิธรรมจัดเป็นมานะอย่างหนึ่งในมานะเจ็ดเราอาสมีมานะเป็นมานะอย่างละเอียดซึ่งแม้แต่พระอนาคามีก็ยังละไม่ได้พระอระหันต์จึงละได้ท่านจำแนกประเภทไว้เพื่อแยกอาสมีมานะนี้จากมานะอย่างอื่นๆที่ห ย, ยาบๆยาบเช่นการดูถูกดูหมิน่นถือสูงถือต่ำ ซึ่งพระอริยบุคคลชั้นตน้ น, นสามารถละได้อาสมีมานะนี้มักตรัสไว้โดยฐานเป็นเป้าหมายที่ผู้ปฏิบัติธรรมจะพึงกำจัดเสียโดยสาระอาสมีมานะก็ตรงกับเอโสหมาสมีแล้วเรียกง่ายๆเพียงว่ามานะซึ่งหมายถึงขั้นละเอียดสุด ชุดที่หาอัตตาคือตัวตนอัตตานิยาหรือเรียกเข้าสำเนียงไทยให้คล้องจองกับอัตตาว่าอัตตานิยาหรืออัตตนิยาคือสิ่งที่เนื่องด้วยตนจุดนี้ไม่ใช่ตัวความยึดถือแต่เป็นสิ่งที่ยึดถือหรือภาพที่ปรากฏขึ้นเพราะการยึดถือ ถ้าจะจัดเทียบอย่างคร่าวๆกับชุดที่หนึ่งอัตตาก็เข้าได้กับเอโซเมอัตตานี่เป็นตัวตนของเราและเอโซหัมมัสมิเราเป็นนี่ส่วนอัตตนิยะก็เข้ากับเอตังมามะนี่ของเราแต่ถ้ากล่าวอย่างเร่งครัดอัตตาหมายถึงความเห็นหรือการยึดถือว่ามีอัตตา หรือเป็นอัตตาเท่านั้นคือเป็นเรื่องของทิฏฐิจึงหมายถึงเอโสวาเมอัตตาอย่างเดียวนี่เป็นตัวตนของเราไม่กินความถึงเอโหมมสหามัสมิเราเป็นนี่โดยในย้านี้ถ้าให้ครบจึงต้องเติมอัสมีติเข้ามาอีกคาหนึ่งตามแนวนี้อาจแปลอัตตาว่าตัวกู และอัตตานิยะว่าของกูแต่จะเห็นได้ว่าตัวกูมีความหมายไม่จอจงหรือตายตัวนักยังอาจดิ้นได้ระหว่างความยึดถือสองอย่างในชุดที่หนึ่งและเป็นเรื่องที่จะพูดกันต่อไปอีกชุดที่หตันหามานาทิธิเป็นอากุศลธรรมที่ท่านมากล่าวไว้ด้วยกัน บางทีเรียกชื่อเฉพาะชุดว่าปปัญจหรือปปัญจธรรมสมอย่างคือธรรมะเครื่องเนื่นช้าตัวผันพิสดารตัวที่ทำให้ฟ้ามเฟอเป็นตัวการที่ทำให้เกิดสัญญาประเภทซทับซ้อนหลากหลายที่เรียกว่าปปัญจสัญญาดังที่เคยกล่าวบรรยายแล้วในบทที่สองการที่นามาจัดเป็นชุดไว้ณที่นี้ ก็ด้วยถือตามนัยยะของอัตถกถาในเมื่อจะเทียบความรู้สึกยึดถือทั้งหลายในชุดก่อนก่อนว่าตรงกับกิเลส ข, ข้อใดใดหรือเมื่อต้องการเรียกชื่อง่ายๆจะเรียกด้วยชื่อของกิเลสตัวใดลำดับชื่อกิเลสชุดท้ายนี้ตรงกันกับลำดับในชุดที่หนึ่งละจะขอสรุปเทียบไว้ให้ดูทั้งหมดดังนี้หนึ่ง ตันหาเท่ากับเอตังมะมะเท่ากับมะมันติเท่ากับมะมังการเท่ากับมะมายิตะเท่ากับยตัตนิยะมานะเท่ากับเอสหมัสมิเท่ากับอัสมิติเท่ากับมานานุสัยเท่ากับอัสมีมานะเท่ากับอัสมิติ 3. ทิฏฐิเท่ากับเอโซมีอัตตาเท่ากับอาหารติเท่ากับอาหางการเท่ากับมะมายิตะเท่ากับยึดอัตตาในด้านคำแปลาภาษาไทยถ้าให้เต็มจำนวนสามครบชุดคือคำว่าเราของเราหรือตัวกูของกูนับว่ายัางไม่ครบคงจะต้องเพิ่มเป็นตัวเรา คือทิฐิหรืออาหางการของเราคือตัญหาหรือมัมังการและนี่เรานะคือมานะหรือภาษาที่หนักแน่นว่าตัวกูของกูนี่กูนะอย่างไรก็ตามคำปลาสำหรับมานะยังไม่สู้กระชับ และถ้าว่าครบด้วยจำนวนอย่างนี้ในภาษาไทยพูดหรือฟังไม่ติดปากไม่ติดใจนอกจากนั้นความหมายของคำก็ยังดิ้นหรือยืดหยุ่นได้ทางออกคืออาจใช้เพียงสองคำว่าตัวเราของเราหรือตัวกูของกูแล้วแปลความหมายคำว่าตัวเราหรือตัวกูให้กินความหมายได้ทั้งทิฐิและมานะ กล่าวคือถ้าเป็นความเห็นความเข้าใจยึดถือว่ามีตัวเรามีตัวกูก็เป็นทิฏฐิถ้าเป็นความรู้สึกเกี่ยวกับฐานะของตัวเราหรือตัวกูที่สำหรับเทียบสำหรับวัดหรือถือภูมิถือภูมิไว้ก็เป็นมานะส่วนของเราของกูก็เป็นตัณหาชัดอยู่เป็นอันครบชุด บรรดาอากุศลธรรมหรือเรียกกันง่ายๆว่ากิเลสสามอย่างนี้ทิฏฐิหรืออาหังการคือเอโสเมอตตาพระโสดาบันละได้ตามหลักที่ว่าละสังโยชน์ได้สามนั้นทิฏฐิเท่ากับสกิยทิฏฐิและศิลรพตปรามารส่วนตันหาละมานะพระาอารหันต์เท่านั้นจึงละได้ตามหลักของการละสังโยชน ตันหาเท่ากับกามราคะรูปาราคาและอรูปราคาพ ร, ร, ระอนาคามีละกามราคาได้แต่ยังละรูปาราคาและอรูปราคาไม่ได้พระอรหันต์เท่านั้นละได้หมดส่วนมานะเป็นสังโยชน์เบื้องสูงที่พระอรหันต์ละได้ชัดเจนอยู่แล้วนอกจากนั้นอธิคถาที่อธิบายเกี่ยวกับอสมีมานะ ยังได้กล่าย้ำไว้อีกมากถ้าตกลงความหมายของตัวเราของเราหรือตัวกูของกูอย่างที่กล่าวมาแล้วก็ได้ความสรุปว่าความยึดถือตัวเราหรือตัวกูในแง่ที่เป็นทิฏฐิละได้ตั้งแต่เป็นโสดาบันส่วนความรู้สึกถือตัวเราหรือตัวกูในแง่ที่เป็นมานะ และความผูกพันในของกูจะหมดไปต่อเมื่อบรุอรหัตผลทั้งนี้พึงดูประกอบที่ปฏิสัมพิธามรฏิสัมพิธามรติอัตถคถาและสังคณีอัตถคถาด้วยเพื่อเห็นความใกล้เคียงระหว่างทิฏฐิกับมานะถ้าต้องการดูว่ามานะและกิเลสอื่นๆของพระอริยบุคคลชั้นสูงเป็นอย่างไร ดูตัวอย่างที่เรื่องพระอนุรุทธะในอังคุตรานิกาติกานิบาทพระไตปิดกเล่มที่20